สิกขาบทวิพังแปดร้อยาว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคําว่าภิกษุณีมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุณีพ่อเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์ว่าภิกษุณีในความหมายนี้คําว่าให้วาระผัดเปลี่ยนสังฆาฏิที่มีกําหนดระยะเวลาห้าวันล่วงเลยไปอธิบายว่า ไม่นุ่งไม่หม่มไม่ผึ่งจีวรห้าผืนสิ้นวันที่ห้าคือให้ล่วงเลยไปเป็นวันที่ห้าต้องอาบัตรปาจิตตี